ตามจำนวนแบบทั้งสองนี้มักมีความเข้าใจสับสนคลาดเคลื่อนอันเกิดจากการอ่านสํานวนรากอย่างเดียวบ้างสํานวนหลังอย่างเดียวบ้างโดยพิจารณาตามตัวหนังสือและมิได้สืบสวนเทียบเคียงกับหลักที่ปรากฏในที่อื่นๆให้เห็นความสอดคล้องกลมกลืนกันความเข้าใจสับสนคลาดเคลื่อนเหล่านั้นที่เป็นข้อสําคัญมีสมอย่างคือ 1. เข้าใจว่าต้องได้วิชาสองอย่างแรกก่อนจึงจะบรรลุอาสวะขยายานคือเข้าใจว่าปุเพนิวาสานุสติยานและจุตูป ป, ป, ปาตายานจำเป็นสำหรับการตรัสรู้ 2. เข้าใจว่าการได้ฌานสี่เป็นบาทฐาน เพียงพอที่จะให้บรรลุวิชาทั้งสามหรือรวมไปถึงอภิญญาทั้งหก 3. เข้าใจว่าบรรลุอาสวะขยญาณหรือตรัสรู้ได้ในสัญญาเวทายิตนิโรธนอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนแหลกไปอีกที่น่ารู้สองอย่างคือ 4. เข้าใจว่าหลักปฏิบัติที่บรรยายในจำนวนแบบสองอย่างนั้นเป็นปฏิปทาแห่งการตรัสรู้สองอย่างต่างหากกันและข้อที่หเข้าใจว่าขั้นตอนของการปฏิบัติและการบรรลุผลสำเร็จต่างๆตามคำบรรยายนั้นดาเนินไปภายในเวลาที่ต่อเนื่องกันเป็นหนเดียวกล่าวเดียว ความเข้าใจผิดทั้งห้าข้อนี้เกิดขึ้นได้โดยง่ายแม้แต่ปลาสำคัญสำคัญก็เผลอพลาดไม่น้อยบางท่านพลาดไปยังไม่น่าจะเป็นสำหรับข้ออื่นๆพอจะเป็นพื้นๆไม่ต้องแสดงตัวอย่างความเข้าใจเพลอที่แปลกคือกรณีของท่านคลูปะฮานาถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับในข้อที่สท่านผู้นี้เข้าใจว่า หลักปฏิบัติตามํำนวนแบบทั้งสองนี้เป็นคนละปฏิปทาซึ่งยากจัดกันเมื่อได้จตุทถาชาญแล้วปฏิปทาตามํำนวนหลังตั้งแต่อากาศสาร น, นจายตนะถึงสัญญาวิทะยิตานิโรธเป็นเจโตวิมุตติปฏิปทาตามํำนวนแรกคือวิชาสามหรือแม่อภิญญาหกทั้งหมดเป็นปัญญาวิมุตติ ทั้งสองปฏิปธานี้นำไปสู่อัญญาคือการตรัสรู้ความจริงความเข้าใจของท่านผู้นี้ยังเข้าข้อหนึ่งและข้อสองด้วย